รตัตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14ปพระสูตรที่18อาณาปานาสติสูตรสูตรว่าด้วยการตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกพระผู้มีพระภาคประทับณประสาทของวิสาขาในบุพารามใกล้กรุงสาวัตถีตรัสแสดงําในถ้ำกลางพระเถระผู้มีชื่อเสียงพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่ โดยแสดงว่าอาณาปานาสติที่เจริญทําให้มากแล้วมีผลมากมีอนิสง์มากทําสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่เจริญทําให้มากแล้วทําโพธชงเจ็ดหรือองค์แห่งปัญญาตรัสรู้เจ็ดให้บริบูรณ์พุชงเจ็ดที่เจริญทําให้มากแล้วทาวิชาคือความรู้และวิมุต คือความหลุดพ้นให้บริบูรณ์ต่อจากนั้นส่งแสดงรายละเอียดในการเจริญอาณาปานาสติอย่างธรรมดาเช่นที่แสดงในอาณาปานาบับมหาสติปทานสูตรการเจริญอาณาปานาสติให้เกี่ยวกับกายเวทนาจิตและธรรมการเจริญสติปทานสี่ให้เกี่ยวกับโพชฌงเจดมีสติเป็นต้น พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14พระสูตรที่19กายคตาสติ ส, ตสูตรสูตรว่าด้วยสติกำหนดพิจารณากายพระผู้มีพระภาคประทับนเจตวนารามภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากายคตาสติคือสติกำหนดพิจารณากายที่เจริญ ทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงค์มากพระผู้มีพระภาคสเสด็จมาตรัสถามทราบความจึงทรงแสดงรายละเอียดแบบที่ทรงแสดงในมหาสติปัฏฐานสูตรคือการกำหนดพิจารณากายแบ่งออกเป็น6ส่วนคือ 1. พิจารณาลมหายใจเข้าออก 2. พิจารณาอิริยาบถของกายเช่นยืนเดิน 3. พิจารณาความเคลื่อนไหวของกายเช่นคู้แขนเหยียดแขนเป็นต้น 4. พิจารณาความน่าเกลียดของกาย 5. พิจารณาร่างกายโดยความเป็นพาด พิจารณาร่างกายที่เป็นศพมีลักษณะต่างๆครั้นแล้วส่งแสดงการเจริญกายาคตาสติจนได้ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สแล้วตรัสแสดงอานิสงส์ของกายาคตาสติว่าเป็นส่วนแห่งวิชาเป็นต้นพร้อมด้วยอุปมาต่างๆและในที่สุดได้แสดงว่าทำให้มีอนิสงส์สิบอย่างคือหนึ่ง อดทนความไม่ยินดีและความยินดีสองครอบงำความหวาดกลัวได้สามอดทนต่อหนาวร้อนห้อยคำล่วงเกินและทุกขเวทนาเป็นต้นสี่ได้ชาญสีตามปรารถนาห้าได้อิทธิวิธีคือแสดงฤทธิ์ได้หกได้หูทิพย์ 7. ได้เจโตปริยญาณคือญาณกำหนดรู้ใจผู้อื่น 8. ประลึกชาติได้ 9. เห็นความตายความเกิดของสัตว์หรือทิพยจักสุกและ10ทำอาสวะให้สิ้นได้พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14ปพระสูตรที่20สังขารูป ป, ปฏิสูตร สูตรว่าด้วยความคิดกับการเข้าถึงสภาพตามที่คิดไว้คำว่าสังขารที่แปลว่าความคิดเป็นการแปลถือเอาความมีพระพุทธภาษิตบ่งชัดว่าได้แก่เจตนาในพระไตรปิฎกเล่มที่17ซึ่งจะย่อไว้ในเล่มต่อๆไปสังขารรูปรปฏิสูตรพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนาราม ตรัสแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงการที่ภิกษุประกอบด้วยศรัท ธ, ธาคือความเชื่อศีลคือการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยสุตตะคือการสดับตรับฟังจาคะคือการสละและปัญญาตรัสถึงว่าตั้งจิตจะไปเกิดในที่ดีๆอย่างไรเมื่ออบรมความคิด หรือเจตนากับธรรมะเป็นเครื่องอยู่มีศรัทธาเป็นต้นให้มากแล้วก็จะเกิดในฐานะนั้นๆได้ตามปรารถนาตั้งแต่ความเป็นกษัตริย์มหาศาลพรามหาศาลจนถึงเทพพรหมชัน้น ร, รูปประพรมและอรูปประพรมและในที่สุดถึงทมอาสวะให้สิ้นได้